ท่านวังที่เครรบค่ะเรามาพบกันกับพระอาจารย์ไพล์บุญพี่บุนโนกันได้แล้วใน ะ, ะในช่วงเวลาต่อจากนี้เลยเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะในรายการสัมัีสนทนานี่ยละค่ะนมสักการะท่านค่ะจริ์พรมีเรื่องเพิ่มเติมนิดหนึ่งจากเมื่อตอนเมื่อวานที่ได้พูดถึงเรื่องการบูชาไป อ, อ, อีกนิด น, นึงก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีใครเนี่ยกลังบูชา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 เพรา ะ, ะนั้นเราอธิษฐานด้วยการสร้างเหตุไงค่ะตัวอย่างตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ทําไว้ให้ดูแล้วนะไม่ได้ขอแต่อธิษฐานสร้างเหตุเพรา ะ, ะนั้นถ้าคุณต้องการสวยใช่ไหมแต่เมตตาสิเมตตาทําให้ทําให้ผิวพรรณสวยงามท่านคะเนี่ยค่ะกําลังจะถามท่านบอกแม่ท่านพูดแบบนี้บอกว่าถ้าข อ, อสิ่งศักิ์สิทธิ์โดยเฉพาะขอพระพุทธเจ้าขอพระบรมสารีริกธาตุที่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 ถ้าทำให้ถูกอธิษฐานขอแลวทำให้ถูกเนี่ยรวยได้ในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีปฏิบัติอย่างไรหรือไม่คะศีลไงศีลถ้าให่รวยศีลนสสุกนะติงเงินติศีลนนะัโภคสัมปทาศีลเนี่ยเป็นทำให้มีทรัพย์มาก อ, อ, อีกในยัะหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องของคุณธรรมสีประการคือเรื่องของทา เ, เรื่องของจาะศีลศรัทธาแล้วก็ปัญญา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 อย่างศีลรักษาศีลถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นออืเราก็จะไม่ถูกเบียดเบียนอาลาชีวิตทำมาหากินได้สะดวกสบายไม่รักทรัพย์ยิ่งดีใหญ่เลยไม่มีทําให้ใครเขากล่าวหาเราหรือว่าเล่นงานเราได้ออือแล้วก็ทําให้เป็นคนที่น่าเชื่อถืออ่ะว่าเป็นคนไม่ขี้ขโมยออื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 ศีลคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเราพูดถึงเรื่องศีลอย่างเดียวใช่ไหมลัทธิมา<ะ>ก็ยังมาพูดถึงคุณธรรมสี่อย่างนี้คือศีลสัทธาจาระปัญญาใช่ไหม<ะ>อีกอย่างหนึ่งพระเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าถ้าเธอมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่ออันนี้ก็สามารถทําให้มีโพกศพได้ก็คือมีความเพียร น, นะว่างั้นเธอเป็นคนขยนันใช่ไม่เกียจคร้านใช่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 บอกเครียดก็หายลูกค้าก็มากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นพนักงานในบริษัทก็มีความเรียบร้อยปกครองง่ายเพราะว่าเป็นผู้นำในการที่จะนำให้พนักงานในบริษัทนี้ได้อยู่ในสีในธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันไปด้วยอันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบา้านว่าคนรวยเนี่ยก็ยิ่งรวยยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นความไม่ยุติธรรมในสังคมป่ะคุณยมติว่า